นั่นอ่ะยังจะมีกำลังมังชาพวที่จัดร่างกายแก่และหาเศษผีแต่มีหลกน้องคนหนังมนาะเป็นผู้กระดับส น, นุนนะของหลกน้องนะเตะทั้งเจ็ดคนจับมัดสอกได้ทั้งเจ็ดรายนะ่ะว่าพร า, า, าะภรรยายนะนีตัดศีลตัดศีลตัดมือแล้วผูกสอกไว้แล้วก็มัดใส่เตร้อยน้ำมัน นี่แหละกำลังยึดถึงทำขั่วไปพวกที่สั่นแล้วเผื่อเสีเพราะการห่วงแขนซับการห่องแมนรับนี่ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและอกคนอื่นถึงเป็นประโยชน์แก่ตนฝ่ายเดียวแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์แก่สบคนอื่นผู้เขาต้องกานเราจะทราบเป็นผ่านในอารมไม่ปรับพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซับนี้จะไขถอนเพื่อความตายเล็กความทั่วของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นควง ม, มาทุ่มแทรตุบอลมารยาพระเทน้องหญิงผู้มีหน้าตาพระพักอันเจริญที่จะลาสร้างโรงทานทั่วโรคเพื่อี่ทานให้ยาจกคนขอรู้บุคนผู้เขาต้องการจะไม่ใช่ยาจดประตามเขายังไม่ยอ่มหน้ำสำราญด้วยการปราถนาซั์ ได้แล้วก็ตามขอชาพนัก ง, งานนั้นจงขายสางเงินสารทองสาวของใดๆทั้งสิ้นเพื่อข่าอาภรณ์หรือครอเพื่อข้าสารให้เขาไปการความชอบใจนอกจากนั้นได้อาุรุษาปะพุทธศาสนาะสร้างพัดสร้างว่าหรือให้เป็นข้าอาหารแก่พระเจ้าประสนองค์สมณนเณรใุกนั้นได้เอีมน้ำสรรารหรือผุดมสมบุญไปด้วยปัไกยทั้งสี่ ตามความชอบใจของสามานะเพราะฉะนั้นมหาเศรษฐีทําอย่างนี้ตลอดถึงวันตายแรงยัตตาแตกตายทํำลายกันไปแล้วไปสู้ท่านดาวดินเทวโรเวลานั้นพอไปสู้ชั้นดาวดินเทวโร เ, รลเ ว, เวรเรลานั้นถึงการที่จะมาส่งชาติเป็นการเจตที่ดุเมืองพระนาศีบุตรสีเป็นแม่ พยาสุริบเบงเพงพุท ธ, ธานคุณเป็นเพรที่สั่งเช่นการพ่อนั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพยังประศึกษาตบาเดชฤทธิท์กับเจ้าพอ่อฤาษีได้มีมา้าแก้วพระที่นั่งตัวหนึ่งอันเป็นมาาพะชีมานีกาไม่มาจิตฤทธิ์อนุภาพมากไม่มีตราัตัวในในหรือจะประหักประหารยักษ์พ่อยังได้ แม่แขนขาแต่ละข า, าจะเตะหรือถีบยั์รอบลายเป็นข้างละแสน แ, แสนไปทำได้ทั้งนี้ก็เพราะราว่าพรชีอดีโทรตัวประเสริฐอันที่เกิดมาณนะวันนั้นในพอกมาตัวที่เป็นพระยาม้าอันเป็งม้าตัวเมียเพราะฉะนั้น มาตัวมานิชอชื่อว่ามานิกาตแก้วนี้ที่เรียกว่าราชีตัวประเสริฐนั้นให้เป็นที่ประทับของข้าวิมิวงงองพุทธังพุนแล้วได้ไปศึกษาวิชากาอรอยู่ในบนสวนบ้างรับเพื่องสหายชื่อว่าพระญาพุทธทองจุบนสวนว่เป็นชยอนพระยาพุทธทองมีอำนาจเหนือใครตัวบุคคลไปอีก เวลานั้นก็ไปถึงยักษ์กลมพรอยู่ในสถานที่หนึ่งยักษ์กลมพรนั้นเป็นเมตเพื่อนยักษ์ดีคือเพื่อนยักษ์อันที่มีอาํานาจคือผ่านตะวนันใครยางหยีมาดีใครยาม า, า, มาถึงข้าวทำสามนี่นก็ยังช่วยเหลือหรือช่วยเงินช่วยทองช่วยสิ่งช่วยของหรือภารกิจหน้าที่ใดๆให้แก่ยักษ์กลมพรเวลานั้นยักษ์กลมพรกน็นว่าเป็นสหายมิตรกับข้าวสุริม เพื่อนเพื่อนคิดกันเพื่อร่วมสุ้ร่วงทุบร่วดตายนี้เพราะฉะนั้นในโยน์ในการที่เที่ยวหรือทัศนายรไปในสารพิษอาจจะเป็นตัวจับจักษ์ตามมนุษย์ประตามบุคคลผู้ดีประตามทุรีบงแย่ด้วยสมการบารมีณนะการทั้งนั้นไปในยี่สิบปีจุดเที่ยวท่องเที่ยวไปในสานรพิษเพราะฉะนั้นพุทคดี อันเปนอคชยาบรมราชินีของท้าสุริวงที่ดำรงองในส่วนรอบยุคเทพไย่ในสถานที่เพราะฉะนั้นก็ยังมีเสนายักษ์หรือพญายักษ์ที่ที่สารนพิมาช่วยทองเขาเส่นกันถึงจดหมายไปทางเวลานั้นบริจันทร์พระพระยาก บ, บสนสวรรค์มากับ พัสดาสามีโปรธิสัตที่เป็นาชาติเป็นเศรษฐีนั้นบัต น, นี้พัสรากจากกันไปถึงทะรลลมกระรมใหญ่ที่เรียกว่าโรมนิดอกโรมนิแผลพัดไปคนแก่และคนที่คนฤที่ละทางไปเช่นนี้เพราะฉะนั้นจึงได้พดระนิจจันจึงตกลงทนีกงเทพเข้าไปพระสิสุทีปัญญารพระรยานาง อนชีดียักษ์ของผีมอนอันเป็นมดดาขันต้วนกำลังดศมาศขอร์บมากลาเป็นหญิงที่สวยงาม ด, ดีไม่ใช่เป็นหยาดมีรัศมีเหมือนนา ง, งานางพระจันทร์วันเพ็ญมีแสงสีมริจันภุ ม, มารีมีชนบริบานอันที่จิ น, นารีผีมนจะหามาให้เป็นบริบาลเกรอ้อมร้องเป็นยศปริบาล ราวกินอะไนั้นประมาณที่เป็นแสนๆนี่เป็นที่ประทัยบยกประสา์หลังหนึ่งยักษ์ทั้งหลายแพร่ร้อมที่พักรักษาทหารยักษ์เป็นที่เจ็ดชั้นไม่ให้มี่บุคคลผู้ใดและใครผู้หนึ่งผ่านเข้าไปในพระราชนิเวทหรือบางของมริยานได้เพราะวารกษาเจตนกับชนเชื่อมุษย์ตตาง ทินหรือต่างชาติหรือต่างนามตามรูประภาษาเว้นเสียแต่พระราษิดายะจะยินยอมพร้อมมอบให้กับบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งที่เห็นชอบแล้วจึงจะจัดตามประเพณีได้ดังนั้นอันนี้หยุดวาวแหงมรีกันมาไกลตาถึงสริเจตประศิษฐ์แต่ยังมาเป็นก ร, รกเกญญาเจตวินยาณที่ตกถึงเมืองฝรั่งเศสเ้าคราองนางบุษธีพูเต็ม บ ร, รมราชินีของข้าสุริยมรนพุทธัทงคุลรชัชนันเพราะที่สัตหาบข้าประทับเข้าในพระกันของนางบดเสดีจพดูดคำากำหนดทดสมาศสิบป่วนแล้วบอกปลอดกระสุดเป็นอหรหน้าสภาสงางามมีชีวิตกายอ่าอันสิ้ เหมือนดังเสียวทองดังนั้นพระราชาที่ประจัาส น, นักของข้าสุรีวงศ์พระยาสุรีทองอ่อนกุทางพูนได้พระพิยกรว่าสุปทีถ้าตระเจตโะมาณน้อยนอทวบทางพุนผู้บริสุทธิ์อันเกิดมาเพราะองเจ้าข่าอาจจะไม่อำนาจหรือในฐานะว่า พรอโลกจักรวาลที่เดียวพระเจ้าข่ายิ่งใหญ่กว่าพระบิด า, าไป่หยีพระเจ้าข่าแต่ว่าชาตากลั่อย่าให้พระราชาผุมานหากว่าใหญ่ขึ้นมานี้ไปเล่นครบมาปกประเรศกาสถ้าฮักว่าไปเล่นภรอบมากเมื่อไรจะสูญเสียพระราชาผุมานไป น, นัยที่เป็นนานๆปีดังนี้พระเจ้าข่าอาจมฉะนั้นอาจจะสิ้น เสียพระชนชีวิตก็เป็นได้พระเจ้าพราตรีวงได้ทรงฟังแห่งพระราชศาสตร์ลังานยพระยากรดังนี้เจ้าพระราชชารถของคนจะมียิ่งมีความสเสน่หารไพ่เป็นหนาหาจึงทรงให้ไวเทวอามานฆาตทาหารในพระราชวังที่เรีย บ, บา ท, ที่เรียนางนงตราถึงที่กองค ร, รัตที่พักรักษาทุกเวลา แม้ว่าใยขึ้นมาจากที่รูกกระชับนานาต่างชาติให้มาเพื่อแทมเป็นจนัตรบิบารเป็นหมื่นเยประมาณที่ได้สองหมืน่นราชภูมานเปรเลนที่ไหนมีมหาเ็กเสด็จไปอาดร้อนเพื่อจะตัดขาดลายในราชภูมานเปรเลนรอบมาได้เห็นกันมาตัวพระเร้ฐตาชีนั้นตั้งหัวปศาสตาททนายบายนี้ เพราะฉะนั้นถ้านถึงเวลาที่พระจักรพรรดิมมเจริญไวยหรือสังขารเติบโ ต, ตใหญ่ประมาณที่สิบปีเวลานั้นยังเก่งเกินอำนาจของพระบิดาว่ามาหาเรณบอกมากแม้ทุกขันทุกขันมีพระราชวังการรัดตัดจำรับตัดสั่งให้พระราชวรรษจงฟังคำภานาขอให้โลกยาให้เกิดันพ อ, อกัน ดังนั้นพวันหนึ่งเป็นจิตกระบวนตวายหรือในธาตขัน์อินทรีย์้อนดังอาครยะกหมางขันธ์ดังนี้ทำไรชี่เจ็บใจโยไม่ได้จึงหวนเข้าไปเพราะฉะนั้นแม้ว่าอามตาะก็จะประมาณติดตามทังหลาย เพ่งเป็นหมืน่นแสนแสนก็ยังไม่มีอำนาจจะกรกษาห้ามได้ไลยจะมาห้ามข้าได้เลยเปิดพอกม้าไปหาอาชาในตัวประเสริฐข้าศีมณีกาเก้ว่ะนั้นเมื่อทางเห็นการเกณขึ้นเป็นหน้าแรกสวรัส์ของพระโทธิขั สุนทระยวงทองพุทธังคุนแล้วและบทสตีแล้ ว, ลวมาแก้วตีหดตีใจโ อ, อ้โหฟังการเจ่งมองใจเข้ามาหาที่ไปชัดชึ้เี่จะพูดให้รังอะเนี่ยานาี้กาเนี่พูดเป็นนาริกาเป็นเหมนดําภาษามนุษย์ในะใคว่าภาพปากไม่เป็นภากเป็นแต่ตัวประสรหรือตัวประสรอย่างเดียวที่เรียกว่า มันีกาแก้วสับมานี่มีอยูสี่สัตว์นะม้าหนึ่งอัสดรห น, นึ่งคอคเรียบอัสดรแล้วก็พาชีพาชีแล้วก็มันีกาแก้วนี่มันีกาแก้วแล้วก็พระรามก็เอาควมเรยกว่าม้าถ้าเป็นพระรามก็ที่ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าพ า, าชีมันีกาแก้วนะครับนี่จากลักณะที่เป็นมาประทับหาตัวกระสวย มามีบนเยริสอันแพ้พระบุทรโพริ ส, สุขมาสวยชาติมดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราถึงจะไปก้การพูดกลับมาายังไงแฟกจ้าวที่เวียามาโอ้หน้งเลยวันเนี้ยล อ, องจังฟังที่นี่นะยานี้ที่มองเห็นน่ะนางสวยสาวงามนั้นก็คือมารีจันยังไปชนมายุกได้สิบกวาัา ปัจจี้เป็นผูกผู้ยับยู่ในเมืองเิียมอนสถานีกุงเทอ ย, ยัง ท, ที่ที่ท้าปรากษามหายักทั้งหลายพีจะพาประเทศไปไหยพอได้จินชื่อว่ามารีจันดูมาได้แล้วทำให้จิตใจของสรเะเพเจตถึงในเงลหันเข้ากระวนกระวายถึงแคบจะวาจ ะ, ะวรนา ทีวาสิ้นชีวิตไปกระหันหันดังนั้นจึงได้ว่าพระว่าเออพาน้องไปก็แล้วกันพระเจ้าข้ามณีโชดังนั้นจึงได้เชื่อเชิญสารเกตขึ้นบนหลังทันทีเมื่อนั้นสารเกตขึ้นชีบนหลังรักชึ่งใหญ่หือ ที่บั้งเหียนของม้านั้นเอามาใส่ประทัดที่หลังแล้วก็พาเพนออกจากร่มม้าทันออ ท, ทีเข้าไปสู่อากาศาพาวิ่งล้อมพระนาคารพระนศีทั้งที่สวยเทพมหาอมรรตราชกรม า, า, มมาทั้งหลายวิ่งเืินหัวตายมีการร้องให้โวยวายปริเทพนาชิดถึงการเกตเปิดศิษ์ พระเจ้าุมาหัวพระยาสุริวงศ์อันครับพระกิายจโรเพืปดปีตาหรือหารชวิตหัวเพื่อัดชยาทดินตงนัน้ข้าบริการทูลเมื่อได้รับคำสนองซึ่ ง, งเทวอามาตรหรือว่าพุมาทั้งหลายสุริวงร์จึงม่ความโรดมองเห็นพระราชรถของตัวนั้นอยู่บนอากาศอยู่บนหลมา พราก็ร้องสั่งพระธิดารมมาดารายจะเรนยราหิระผาสักสาตรีปรภานขอพระราชบิดาจากหันเทสถึงยังไงขออภัยให้ข้าผู้เป็นอรวรร้างพระจแม่บทสดีแม่บทสดีเมื่อเห็นพระราชรถของตอนนี้ประดังนั้นนิสัตจีสระบหลวงทันทีไว้เทวะ อมาถหรือกำนันนาเรียหญิงแม่เลี้ ย, ง, ย, ยงนางนอนทั้งหลายเอาน้ำมาป่าเพิ่งเกิดมาและทั้งแสงตอนมีพระกรอบขวนทางเรียงร้องให้บริแทบนาทร้ง ร, รายคนเหมือกระเจนพร้อมตึงสั่งทำและสั่งแล้วมณีเถอแล้วพระพยจารณ ผ่านไปหาเข้าทีบแม่มองไม่แลเห็นเลยทีเดียวทำให้ประชาชนในเมืองพระนศีทุกแห่งทุกผลเป็นอาขรวนกวายทูนเปรือทัวราหนทั้งที่เศร้าโศกโศกาปริเทวนาไฟมนพระนภอรมีพระมหาสัตว์สุรีวงศวงทุกรังคูเป็นประหานได้ร้างความเศร้าโศกโศกานำพระโาษีสดแลนะบาทาัาน เป็นเช่นนี้จึงว่าเราว่าเมืองที่เขาใหญ่ที่จะปรับตรุงมาแต่ว่าการเกตโอุตสาห์หรือเป็นเมืองของเจ้ายักษ์ะยายักษ์ที่ชื่อว่าซึ่ลอันที่คลองพนีกรุงเทพนี้เป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าพรานีกรุงเทพใปัจจุบนันนี้อันนี้จ วัฒนาต้นตีนอันนี้เป็นแสนตานค่ะไอ้แสนตีนหายใจแล้วนหลายล้านใช่ร้านเลยพระพุทธเจ้าองค์นอะรเนี่ยกระไรเกียรติบอกว่าแต่กระไรเนียรติค่แพระพุทธเจ้าอปูดสันโทพระพุทธเจ้าอง์ี้หนึงนะะี่นหปูดสันโทสันโทโหนี่แ โอเค